Book 2 70 70 j ชอบอยาก Vill n o en. Kunnar sju b u l ่ i m ม Vill du rikja? Kunnar ten ram? Må. du danse? คุณอยากไปเดินเล่นไหมวิลล์ดูฉันเซคุณอยากได้บุหรี่สักมวนไหมวิลล์ดูห้อ่นซิก e เดเขาอยากได้ไฟแช็กฮัมวิลล์ห้อฟ ดิฉันอยากดื่มอะไรหน่อยฉันอยากทานอะไรหน่อยฉันอยากพักผ่อนหน่อยฉันอยากถามอะไรคุณหน่อยฉันอยากถามอะไรคุณหน่อย ดิฉันอยากขอร้องอะไรคุณหน่อยฉยากขอน่อยฉยาน่ฉันอยากจะเ้อนั้่ยฉันอยากรงคุณหยฉันยอยากขคุณคหน่อยฉยารคุณนอันอยารดค่ัอยารคุณหนกรคุณนักร่ัากคุณหนารคหนัอรคะณนอยฉันคหอคุณรักาหค หรือว่าคุณจะรับชาดีคะหรืวิลดู h e l l ลอ h a ให้น่เราอยากจะขับรถกลับบ้านวิลลยากขี่รถกลับคุณต้องการรถแท็กซี่ไหมวิลลีรถรพวกเขาอยากโทรศัพท์วกเขาอยากโทรศัพท์วกเขาอยากทรอรัศัพวยาเยรเกา